ชีวิตบึงบัวเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับบึงสกัดอยู่ในลุ่มน้ำสาขาคลองตรนรับน้ำมาจากท่าน้ำรายปีและกระจายน้ำไปสู่คลองห้วยคันหอกรัษดรในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งน้าสาคัญในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่อมาแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดินและวัชพืชปกกลุ่มเป็นจำนวนมากส่งผลให้น้าไม่เพียงพอ สำหรับใช้ประโยชน์โดยเฉพาะช่วงฤดูแรงกรมทรัพยากรน้ำจึงได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงบัวบ้านท่าดินขาวหมู่ที่6ตำบล น, น้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์โดยดำเนินการขุดลอกบึงวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถกักเก็บน้ำได้7จ็แสนลูกบาทเมตรพร้อมรักษาระบบนิเวศของน้ำจากนั้นกรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคก้า ได้เข้ามาสนับสนุนการก่อสร้างระบบกระจายน้ำโดยดำเนินการติดตั้งหอถังสูงความจุ20ลูกบาทเมตรความสูง20เมตรแผงเซลล์แสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้างขนาดแผง300วัตต์จำนวน16แผงเครื่องสุบน้ำแบบผิวดินชนิด vertical manistage จำนวน2เครื่องและท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด4นิ้วความยาว 1,400 เมตรประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า50ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า20ไร่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งมีการสร้างกลุ่มผู้ใช้น้าเพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำและบำรุงรักษาโครงการต่อไปน้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กลุ่มทรัพยากรน้ากระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมให้การปรึกษาด้านทรัพยากรน้า 1310กด5หรือ w w w d w r g o t h